ดูกายดูเวทนามีสับเฉพาะนะคนที่เหมาะที่จะดูตรง น, นี้เนี่ย mm. ก็เรียกว่ามีจริตนะเคยได้ยินไหมถ้าใครเคยฟังหลวงพ่อประโมทจะเข้าใจตรง น, นี้จะเคยได้ยินนะเขาเรียกว่า mm. พวกที่มีอะไรอะไรนะราคะจริตตัณหาจริตเนีตัณหาจริตตัณหาจริตนะส่วนผู้ที่เหมาะที่จะดู จิตกับธรรมเนี่ยเป็นพวกทิฏฐิจริตตัณหาจริตคือพวกที่เวลามีความพอใจอะไรแล้วก็จะหลงไหลอยู่กับสิ่งนั้นนานๆพออยู่กับสิ่งนั้นนานๆมันจะเกิดสมาธิได้มีความสุขในการดูอะไรนานๆดูหน้าคนนี้นานๆพอใจดูนานๆอย่างเงี้ยนะอาจจะเกิดสมาธิได้เหมือนกันหรือดู สีเขียวโอสีเขียวนี่ดูแลเพลินตาสบายจากสบายตาสบายใจดูสีเขียวเป็นกสินหรือหลับตามองเห็นแสงสว่างเห็นแสงสว่างเห็นเป็นอโลกกสินคือเห็นนิมิตแสงสว่างพอใจในการดูสิ่งนั้นนานๆแต่คนคิดมากดูได้ไม่นานคนคิดมาดูแล้วก็เออไผ่ต้นนี้สวยดออีน่าจะไปปลูกที่บ้านบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยมันคิดไปเรื่อย <c oughs> พวกที่คิดไปเรื่อยให้ดูจิต ดูว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านไปแล้วเมื่อกี้เผลอคิดไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเออเราเนี่ยเกิดมาไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมคงจะไม่เหมาะที่จะปฏิบัติคงจะเป็นพวกอาพบุคคลไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ไม่ใช่ไม่มีพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าไมคิดมากก็ทําสมาธิง่ายมีสองอย่างนะคนที่ทําสมาธิง่ายให้ไปดูกายและเวทนา คนคิดมากให้ไปดูจิตและธรรมพระเจ้าเวลาดูพิจนารณาก่อนจะสอนเลยนะตอนที่ท่านตัดสรใุใหม่ๆแล้วเกิดมีความคิดขึ้นมาว่าทำที่ที่พระองค์ทรงเห็นทรงรู้เนี่ยประณีตลึกซึ้งแล้วมีความคิดแวบขึ้นมาว่าจะไม่ไปสอนแล้วเกิดมีความกรณากระตุ้นขึ้นมา บางแห่งเล่าว่ามีพระพรหมม า, าราธนานะก็แล้วแต่จะจะจะเล่าแบบไหนจะเล่าให้เป็นบุคลาทิฏฐานก็เล่าว่ามีพระพรหมมาลาธนาแต่ในที่สุดถึงพระพรหมม า, าราธนาถ้าท่านไม่มีกรุณาขึ้นมาในใจท่านก็ไม่ไม่สอนนะตนี้ท่านมีมีความกรุณาเกิดขึ้นในใจว่าเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสน้อยเนี่ยมีอยูนะ่สามารถสอนได้มีอยู่ ท่านจึงปกรงตกลงปรงใจที่จะสอนคนต่างๆในโลกนี้เนี่ยที่ท่านจะสอนเนี่ยที่ท่านสอนเพราะมีบุคคล4ประเภทประเภทที่หนึ่งบอกนิดหน่อยรู้ได้เลยคนอีกคนหนึ่งบอกแล้วต้องบอกต่ออีกเล็กน้อยรู้ได้คนที่สามประเภทที่ส บอกแล้วไม่รู้ต้องฝึกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกสามารถรู้ได้ในชาตินั้นคนที่4ประเภทที่4ที่เราเรียกว่าปัตถะปรมะเนี่ยบอกเท่าไหร่ชาตินี้ไม่ได้แต่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เขาได้ฝึกได้ง่ายขึ้นในชาติหน้าเพราะองค์เห็นบุคคล4ประเภทนี้จึงแสดงธรรมไม่ใช่ว่าไอ้คนนี้ ไม่ยอมสอนไม่ใช่งั้นนะสอนแต่เขาจําได้แต่เพียงตัวบทปัทะประมะหมายถึงจําได้แต่เพียงตัวบทไม่เข้าใจท่องท่องได้ท่องเจ๊ยจวเป็นเ้าเรียกว่าอะไรนกแก้วหนูคุณทองท่องได้แต่ไม่มีความเข้าใจคนที่ประเภทที่สมเนี่ยท่องได้ฝึกฝนแล้วเข้าใจได้ในชาตินั้นชาตินั้นส่วนคนที่สีเนี่ยชาตินั้นไม่ได้ ชาติต่ อ, ตอไปแต่ถ้าไม่ได้ฟังจะไม่มีเหตุปัจจัยเพื่อชาติต่ อ, ต อ, ตอไปนะอย่าเสียใจยถ้ามีคนบอกว่าคุณจะเป็น ป, ะะปัตตพรมะเออกต่อไปชาติต่อไปกูเอาก็ได้วะนะอย่าอย่าไปแล้วอย่าไปว่าคนอื่นด้วยอย่าไปว่าคนอื่นง่ายๆที่ว่าแกในใช้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะใช้ได้ทุกคนพระเจ้าเห็นว่าทุกคนใช้ได้จึงสอน บางคนรู้ได้ทันทีแสดงธรรมปุ๊บกันเดียวรู้เลยอีกคนหนึ่งหลายการหน่อยจึงจะรู้อีกคนหนึ่งสอนไปแล้วต้องเขี่ยวกรรำต้องเขี่ยวเข็นต้องฝึกต้องอดนอนต้องผ่อนอาหารต้องฝึกเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงนั่งสมาธิอะไรทั้หงหมดฝึกบ่อยๆส่วนคนสุดท้ายแม้จะฝึกก็ไม่ได้รู้แต่ มีเหตุปัจจัยส่งผลดีต่ออนาคตในชาติต่อๆไป <c oughs> <c oughs> พูดถึงเรื่องอะไรทำไมกลายเป็นเรื่องนี้ <c oughs> สรุปสรุปสิ่งที่ควรควรฝึกของเรานะฝึกรู้กายหรือรู้ใจนะกายที่ว่าเนี่ยมันจะแยกเป็นละเอียดก็คือกายและเวทนาใจที่ว่าเนี่ยคือจิตและธรรมฝึกรู้กายและใจของใคร ขอตัวเองนะไม่ใช่ไปรู้กายคนอื่นแอบดูคนอื่นอาบน้ําไปรู้กายไม่ได้นะหรือว่าไปดูใจคนอื่นกรูบาอาจารย์ก็ไม่ไม่แนะนำนะถ้าจะรู้ให้มันผ่านให้มันมั่นคงก่อนนะให้รู้ทำสักเป็นโสดาบันก่อนแล้วก็ไปไปดูคนอื่นนะดูกายหรือดูใจที่ของเป็นของเราเมื่ อ, อไหร่กายและใจเมื่อวานนี้ช้าไปต้อง กายหรือใจถ้าเป็นกายดูปัจจุบันท่าทางขณะนี้เป็นยังไงเป็นก้อนเนื้อก้อนเลือดก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์ขณะนี้หายใจเข้าหายใจออกขยับกายยังไงกำลังดิกนิ้วกำลังเอียงคอไปเอียงคอมาให้รู้ถ่านความเคลื่อนไหวยอย่างนี้ถ้ารู้ใจรู้ใจรู้ไอ้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ดับไปมันเป็นยังไงรู้แรกแรกรู้แรกแรกเนี่ย จะเป็นความรู้ว่าใจเมื่อกี้นี้มักจะไม่ค่อยดีไอด้ดีๆเนี่ยไม่ค่อยรู้ 1. เหตุผลนะที่ทําไมถึงไม่ค่อยรู้เหตุผลหนึ่งคือตอนที่มีความดีเกิดขึ้นเนี่ยมักจะเพลินนะมีความสุขมักจะเพลินมีมีเ ม, มตาก็มักจะเพลินนะอีกอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยเกิด สิ่งดีๆไม่ค่อยเกิดที่เกิดบ่อยมักจะไม่ค่อยดี <laughs> มีราคะเกิดบ่อยให้ดูราคะมีโทสะเกิดบ่อยให้ดูโทสะมีความหลงฟุง้งซ่านคิดไปบ่อยให้รู้ดูความหลงฟุ้งซ่านเกิดบ่อยดูฟุง้งซ่านหดหูเกิดบ่อยให้ดูหดหูดูความไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจดูมันเกิดแล้วรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้ เกิดความไม่ดีเกิดขึ้นในใจขณะที่รู้ว่ามันไม่ดีขณะนั้นดีตอนที่มีโทสะเกิดขึ้นขณะนั้นเป็นขณะที่เป็นอกุศลใช้ไม่ได้โทสะจะเกิดสืบเนื่องเ ต, ต่อมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยแต่เมื่อใดที่เกิดจิตขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้นี้มีโทสะจิต ด, ดวงนี้ใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยนะไม่ใช่ใช้ได้ธรรมดาใช้ได้ดีพระเจ้าเรียกว่าเป็นมหากุศลเป็นมหากุศลจิต เพราะจะเป็นเบื้องต้นที่จะฝึกให้เกิดวิปัสสนาได้ขณะนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะสติเฉยๆยังไม่ใช่วิปัสสนาแค่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนั้นขอบเขตในการศึกษาของเราคือกายและใจขอบเขตในเรื่องขอ ง, ของพื้นที่คือกายและใจขอบเขตในเรื่องของเวลาคือปัจจุบันต้องปัจจุบันเท่านั้น กายดูปัจจุบันจริงๆใจดูปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ปัจจุบันจะปัจจุบันแท้ๆไม่ได้ต้องปัจจุบันเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเหตุผลก็คือจิตรู้ได้ทีละอย่างนะรู้ไปแล้รู้หน้าคนนี้ไปแล้วโกรธไปแล้วจะมารู้ตัวเองว่าโกรธไม่ได้ต้องอาศัยดวงนี้ดับไปก่อนแล้วดวงใหม่เกิดขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับใจดูความไม่ดีของตัวเองนะอย่ามารอดูความดี ถ้ารอดูแต่ความดีทั้งวันอาจจะไม่เกิดสติเลยก็ได้เพราะไม่มีดีให้ดูดูความไม่ดีของตัวเองมีพยาบาลคนหนึ่งแต่งงานใหม่แต่งงานใหม่ก็ซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อบ้านก็ต้องผ่อนบ้านยังไม่มีเงินก้อนซื้อบ้านผ่อนบ้านอันนี้หมออมาาลเาเล่าเอาไว้พยาบาลเขาก็ หารายได้ต้องหารายได้เสริมวิธีหารายได้เสริมของพยาบาลก็คือไปเฝ้าไข่เฝ้าไข้หารายได้พิเศษการเฝ้าไข้เนี่ยก็ต้องเจอคนไข้ที่มีทุกข์มากต้องทนนอกจากทนกับคนไข้แล้วต้องทนกับญาติคนไข้เคยไปบนอะไรกับพยาบาลมังหมนั่นแหละเขาต้องทนใครเป็นพยาบาลม้างในที่นี้มีไหม ไม่มีนะพยาบาลคนนี้ต้องทนเพื่อหาอไรายได้ในขณะที่ทนนั้นทนแบบเก็บกดนะแล้วก็มาปล่อยที่บ้านนะมาถึงบ้านอยากจะมาพักผ่อนอยากจะมาพักผ่อนสามีน่อยู่บ้านแล้วเห็นสามีถอดรองเท้าไม่เรียบร้อย <c oughs> เราว่าเราทำงานหนักอยากจะกลับบ้านเพื่อจะพักผ่อนทำไมแค่รองเท้า ถอดนั้นเป็นที่เป็นทางถอดไม่ได้บนนะบนแล้วมองไปมองมาก็ไม่มีใครเก็บกูเองนะเราต้องเก็บ <c oughs> บ่นแล้วก็เก็บนะแล้วมากินข้าวไม่ยอมร่างจานนะบนอีกนะอันนี้ก็วางไม่เป็นที่อันนั้นก็วางไม่ถูกที่อันนี้ทำไม่เป็นเวลาบนบนบนนะบนอย่างเงี้ยทำไมสามีไม่เข้าใจตัวเองเลยนะว่าเราเนี่ยเหนื่อยนะ ทนกับพวกคนไข้ทนกับญาติของคนไข้มันหนักนะหนักไหมคิดว่าหนักไหมหนักนะต้องคอยเอาใจคนอนะ่ะแล้วคนนะมันมันต้องการไม่สิ้นสุดอย่างที่บอกเมื่อกี้ <c oughs> คนไข้ก็ป่วยมีทุกข์มากนะต้องคอยดูแลดีๆถ้าก็เป็นไรไปซวยซนะวยไม่ซวยเปล่ายังต้องมาเอาคอยเอาใจญาติคนไข้อีกนะคอยระวังหมออีก หมอก็มาบ่นนะหมอเนี่ยมีอะไรก็ลงมาที่พยาบาลคนไข้สุดลงไปก็โทษพยาบาลพยาบาลเนี่ยต้องทนแต่ไม่มาทนกับสามีอยู่มาวันหนึ่งนึ่บ่นมานานนะนี่เล่ารัดว่าเขาเขาบน่นบ่นมานานบ่นไปบ่นมามันนึกถึงว่าเอ๊ะเราเนี่ยทำไมกับคนไข้นะกับญาติคนไข้นะ งี่เง่ามากเลยนะเรายัางทนได้ที่ทนมาต้องการเงินถ้าเราแสดงสีหน้าอะไรไม่พอใจไปเนี่ยเขาจะไม่เอาเขาจะไม่จ้างเขามีตัวเลือกเยอะเราจะไม่จ้างทําดีได้ค่ะได้ค่ะยิ้มตลอดนะทำไมเราทนได้ทําไมกษามีที่เรารักทนไม่ได้ไอ้คนนั้นเราไม่รักเลยนะแต่ทนแต่คนนี้เรารักนะไม่ทนนะมานึกนี้นะพอนึกนี้ เอาเถอะเราแต่งงานกับเขาพเพราะรารักเขานะถ้าเราจะทำอะไรให้เขาสักหน่อยคิดซะว่าเขาเป็นคนไข่อีกคนหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> ยอมทำนะยอมทำรองเท้าเก็บไม่ดี <c oughs> เก็บเฉยๆเก็บให้เลยไม่บน่นจานไม่ล้างล้างให้ไม่บน่นเสื้อผ้าถอดทิ้งยังไงเก็บให้ซักให้ไม่บน่นคิดซะว่าเป็นคนไข้คนหนึ่งทำอย่างนี้นะปรากฏว่า ไปไปมามาไอ้สามีวันหลังๆมีอยู่วันหนึ่งสุดท้ายกลับมาเอ๊ะทุกทีกลับมาเนี่ยต้องเก็บรองเท้าให้วันนี้รองเท้าเปลี่ยนระเบียบกลับมาเนี่ยเตรียมและเดี๋ยวจะไปล้างจานวันนี้จานล้างแล้วเก็บเรียบร้อยแล้วด้วยดูเสื้อผ้าซักแล้วอีกเลิศขนาดไหนสามีทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้นะไปถามวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะวันนี้เกิดอะไรขึ้น ทำไมมันมันทำอะไรทุกๆุกอย่างเลยนะบอกวันนี้ผมเห็นว่าคุณเหนื่อยมาแล้วผมก็เลยทำให้ <c oughs> แล้วทุกทุกวันนั้ไม่เคยเห็นฉันเหนื่อยเหรอทุกทุกวันไม่เคยเห็นฉันเหนื่อยเหรอบอ <c oughs> ก เ, เห็ น, น, ห น, หหนแล้วทำไมไม่ทำทุกวันเนี่ยผมไม่เห็นภรรยาผมผมเห็นยายผู้หญิงคนไหนก็ไม่รู้ ไม่ใช่คนที่ผมแต่งงานด้วยไม่ใช่คนที่ผมไปขอความรักด้วยมันบน่บนบน่นบ่นผมก็เลยทำประชดดูสิถ้าเราทำไม่ดีนะแล้วบน่นแต่ก็ฝืนทำเลยนะ ท, ทั้งที่ฝืนทานะเขารับรู้ได้แล้วเขาทำประชดทำประชดใหญ่ขี้บน่นะแต่พอเลิกบน่นทำคนนั้น กลับกลายเป็นสามีคนเดิมขึ้นมาเขาเหตุผลว่าสามีน่ให้เหตุผลว่าผมทําเพราะต้อนรับภรรยาคนเดิมภรรยาคนเดิมกลับมาแล้วเราไปต่อว่าเขาเห็นคนอื่นไม่ดีเห็นเขาไม่ดีพยายามจะไปดัดแปลงจะไปเปลี่ยนแปลงเขาแก้ไขเขาบนว่าเพื่อให้เขากลับตัวกลับใจชี้พยายามย้ําย้าชี้ เพื่อให้เขาสํานึกผิดทุกครั้งที่ทําเขาไม่ยอมรับแถมทําประชดทําให้มีงานมากขึ้นทําให้ทําให้เกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในบ้านเพื่อให้มันทําอีกประชดแต่ถ้าเรารู้ความไม่ดีของตัวเราเองไม่ต้องไปแก้คนอื่นแก้ตัวเองจะแก้ตัวเองได้ต้องเห็นความไม่ดีของตัวเองจะแก้ความไม่ดีของตัวเองต้องเห็นความไม่ดีของตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือเห็นความไม่ดีเมื่อกี้นี้ที่เกิดขึ้นไม่ให้ความไม่ดีเมื่อกี้นี้มันเติบโตครอบงำทำให้พฤติกรรมของเราไปแสดงออกในทางที่ไม่ดีเห็นความไม่พอใจรู้ทันความไม่พอใจแล้วมันสมควรทำไหมถ้าทำสมควรทำทาไม่ต้องไปบน่นะถ้าเห็นทันสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ในใจ แล้วพิจารณาว่าสมควรทําหรือไม่ทําด้วยปัญญานะไม่ใช่เห็นแล้วก็เฉยเห็นแล้วก็เฉยนะอันนี้อันนี้เรียกว่าทําทํากระบวนทําไม่ครบนะเห็นแล้วรู้สภาวะในใจเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าควรจะทําอะไรกับมันพิจารณาด้วยปัญญาแล้วทําหรือแล้วเวน้นมันมีแล้วทําแล้วเวน้นะไม่ใช่ทาทุกอย่างนะ ทำก็ได้เว้นก็ได้พิจารณาด้วยปัญญาทําด้วยจิตที่ไม่มีสิ่งร้ายๆ้าเปื้อนปนผลเปื้อ น, เ, นเห็นความโกรธ ด, ดับไปพิจารณาทําควรทําทําควรเว้นเว้นเห็นราคะเกิดขึ้นราคะดับไปแล้วดูซิว่าควรทํำไหมควรทําก็ทําควรเว้นก็เว้นเอางั้นนะ ไม่ใช่ดูแต่สะพาวะแล้วเราก็ตะบีตะบันทมตะบีตะบันเว้นไม่ใช่อย่างนั้นนะดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วพิจารณาว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปควรทำหรือไม่ควรทำด้วยปัญญานะฝากกอาไว้ตรงนี้นะ <c oughs> จะแบ่งเวลาตอนท้ายนิดหนึ่งใครมีปัญหาอะไรจะถามก็ได้หรือถ้าไม่ถามจะเว้นก็ได้ <c oughs> ก็ชัดเจนเข้าใจได้อย่างเรียบง่ายนะครับช่วงนี้ท่านพอาจารย์โปรดกาศให้กับทุกท่านแล้วนะครับท่านใดมีคําถามจะส่งคําถามกับท่านพอาจารย์เรียนเชิญ น, นะครับผมขอยกมือนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีมือรโฟนส่งไปให้นะครับ มีถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับคำนมเกี่ยวกับการภาวนาหรือมีเรื่องข้อสงสัยอื่นๆก็ได้ครับเชิญนะครับเชิญครับถ้าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็เวน้นเชิญทุกท่านนะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับท่านอาจารย์ให้โอกาสนะครับนามสการคะ่ะพระ อ, อาจารย์หนูมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวโพชฌงแล้วก็ปัญญาอค่ะ เคยมีช่วงหนึ่งที่ภาวนาไปแล้วความเข้าใจมันพบว่าเวลาที่เราเข้าใจมากขึ้นออมันจะไล่ล่ไล่ขึ้นไปตามโพชงทีละตัวทีละตัวออแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพอมันพอมันจะไปถึงตรงตัวปัญญาเนี่ยมันมันพลาดไปมันเสื่อมไปหลังจากนั้นก็คล้ายๆกับความเข้าใจต่างๆที่เคยมีเนี่ยมันหายไปตอนนี้หนูมีความสับสนมา สักพักใหญ่แล้วว่าความเข้าใจที่เคยมีหรือปัญญาที่เคยมีเนี่ยพอมันเสื่อมไปแล้วมันหายไปเลยคือพอเสื่อมเสื่อมก็คือเสื่อมหมดไปหรือว่ามันเป็นการสะสมอยู่มันเป็นอย่างไหนกันแน่คือไม่ไม่แน่ใจพ่อชงที่พิจารณานเนี่ยเป็นการพ่อชงแบบคิดเอาหรือเปล่าเออไม่ใช่ค่ะจริงๆตอนที่ ตอนที่เกิดสภาวะไล่ไล่ไล่ขึ้นไปนั้นน่ะหนูยังไม่รู้จักโพชงเลยด้วยซ้ําไม่รู้ mm. ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าหลังจากเสื่อมไปแล้วเนี่ยอ่านปริยัติแล้วก็สัญญามันจําได้ว่าสภาวะที่เกิดตอนนั้นออกมาไล่ล่ไล่ขึ้นไปตามนี้เลยก็รู้สึกจริงๆตอนนั้นก็รู้สึกยินดีว่าเอ้ยอ๋อโพชงเป็นแบบนี้ค่ะแต่หลังมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านสภาวะนั้นมาแล้วให้รู้ทันตัวค พอรู้ทันรู้ตรงนั้นแล้วพอใจยินดีหรือไม่ยินดี<ะ>ให้รู้ทันตรงนี้นะไอ<ะ>ตัวพ่อชงจะจริงหรือไม่จริงช่างมันห<ะ>วางไว้ก่อนค<ะ>ให้ดูใจที่ว่าพอใจหรือไม่พอใจเวลาคิดถึงหรือว่ารู้สภาวะตรงนี้แล้ว<ะ>แล้วอยากไหมอยากรักษามันไว้ไหมอยากจะให้มันเกิดอีกไหมถ้าอยากเกิดอีกไม่เกิด<ะ>ทําตามเดิมคือจเจริญสติรู้ทันสภาวะปัจจุบันที่รู้จริงๆแล้วก็คือว่า มันมีความอยากหรือเปล่ามีความพอใจเกิดขึ้นไหม <ฮะ S 1> ถ้ามีความพอใจจะมีความอยากรักษาหรืออยากจะเห็นสภาวะด้นใหม่ไอ <ฮะ S 1> ้ตัวเนี้ยดูตัวนี้ยังยังยังอยากทราบอยู่ว่าปัญญามันจะหายไปเลยหรือเปล่าคืออยากอยากปรับความเข้าใจตัวเองให้ถูกต้องว่ามันหมดไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่จะสะสมอยู่ต่ อ, ตอไปถ้ามันเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ไม่หายไปมันจะเป็นตัวสะสม ปัญญาจะชี้ขาจริงๆมันต้องเป็นปัญญาตัวที่เห็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังนาตาจริงๆมันแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นแล้วล่ะว่าเห็นไหมมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ดับไปมันเคยเจริญเสื่อมไม่ดูให้เห็นตัวนี้นะ <c oughs> มันบังคับไม่ได้โพูดชงมีท่านไหนไหมครับเชิญครับ ถ้ามีอะไรสงสัยแต่ยังนึกไม่ออกนะยังมีอาจารย์หลายองค์เอ้ยหลายท่านที่จะที่จะมาบรรยายที่นี่ดักถามตอนนั้นก็ได้นะคุณมาลีหรืออาจารย์อาจารย์วัดมเหยยงนะะอาจารย์สุรวัตรก็มาใช่ไหมหลวงพ่อป harma ก็จะมาเมื่ อ, อไหร่อ่าสิบยี่สิบแปดสิงหาไปดักถามตอนนั้นก็ได้ <laughs> วันนี้มา บอกโยมว่ามาเป็นน้ําจิ้มเฉยๆ <laughs> <laughs> <c oughs> จ้าอิ่มไม่อิ่มนะจะ <sh> ให้อิ่มต้องไปอาหารหลักหลวงพ่อประโมช น, นโยคุณมารีอ า, อาจารย์จรวัตรเนี่ยนะ <laughs> อันนี้เป็นน้ําจิ้มอย่างไรก็เป็นน้ําจิ้มที่มีรสชาติดีนะครั บ, <laughs> รบสําหรับทุกท่านนะครับถ้าไม่มีผู้ใดส่งคำถามกับท่านพระอาจารย์นะครับนะโอกาสนี้ผมจะ ยินเชิญตัวแทนนะครับของบ้านจิตสบายนะครับได้ถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรมนะครับกับท่านพระอาจารย์นะครับเดีโอกาสนี้เดินเชิญทุกท่านนะครับเราร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมกับท่านพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวเรากล่าวนโม3จบพร้อมกันนะครับและผมจะขอกราดนากล่าวคําถวายพร้อมกันนะครับนโมตัสสะ พระควโตหรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควโตหรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควโตหรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวา ย, วายเครื่องไทยธรรมทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อสืบสารอายุพระพุทธศาสนาขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับเครื่องธยธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทินสาธุ ขออนุโมทนากับทุกๆ ท, ท่านนะที่มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมรวมทั้งมีโยมร่วมบุญด้วยเอาหนังสือหนังสือพ่อของหลวงตามาร่วมแจกนะเป็นธรรมทานโยมที่ฝากมาคือโยมลิธิชัยงดงามนะแล้วก็มีซีดีซีดีก็มีเจ้าภาพ ทามามีเหลือบ้างนิดหน่อยเอามามาถ้าใครสนใจก็ไปไปดูได้เป็นซีดีเรื่องดูจิตปีแรกดูจิตปีแรกเนี่ยเป็นซีดีที่อ่านหนังสือดูจิตปีแรกเป็นข้อความรวบรวมจากที่ท่านอาจารย์ปรโมทเขียนเอาไวก้ก่อนจะบวชก่อนจะบวชเลยตั้งชื่อว่าเป็นดูจิตปีแรกและเราก็ดูทุกๆปี ทุกๆวันนะดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ดูปีแรกแล้วพอนะคำบรรยายวันนี้อาจจะไม่ครอบคลุมแล้วก็อาจจะกระโดดไปกระโดดมานะไม่ได้เรียบเรียงเอาไว้ก่อนนะใช้ใช้พูดเอาปัจจุบันบางครั้งอาจจะทำให้สับสนหรือว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนลองไปฟังซีดีนะจะเป็นซีดีเสียงอาตมาอ่านหนังสือก็ได้หรือซีดีเสียงธรรมบัญยายของครูบาอาจารย์ จะทำให้มีความว่าใจมากขึ้นนะอันนี้เป็นเพียงแค่มาแสดงสดไลฟ์ใครอยากดูแห้งหรือฟังแห้งก็ไปฟังซีดีเอานะขออนโมทนากับทุกๆ ท, ท่านแล้วก็รวมทั้งผู้ที่เป็นเจ้าภาพถวายหนังสือของทายาทานแล้วก็เจ้าภาพซีดีที่นำมาแจกวันนี้ด้วยนะตั้งใจอุทิศสุขส่์นให้กับผู้ที่มีประคุณของเรานะกับมุญาตของเรา และพูดบุคคลผู้หนึ่งที่ที่เราไม่ควรละเลยก็คืออุทิศให้กับพระเจ้าอยู่หัวของเรานะอุทิศให้ท่านส่งใจส่งบุญที่เราได้ทําในวันนี้อุทิศให้ท่านให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดจากโรคภัยทั้งหลายนะเป็นลมโพลมใสของพวกเราเชาวไทยได้อยู่ในประเทศนี้ร่มเย็นเพื่อที่จะศึกษาพุทธศาสนาได้สะดวก เรามีโอกาสที่จ ะ, จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในมรรคผลในพุทธศาสนานของแต่ละคนตั้งใจอุทิศนะยาทาวริวหาปุราปริปเรนติสากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัรปฏิ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสาเร็จประโยชน์แก่ผู้ทีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตั้งปฏิตั้งตุมหังก็ อ, อิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิะเมวัสมิจชชตุจงสาเร็จโดยฉับพลันสัพเปปุเรนตุสังกปาก่กว่ า, ขขวาดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนารโยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ง มณีโชติรสโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีประวัตุศัพท์พมังคลังขอศัพท์พระมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพท์เทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านศัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าศัพพธรรมมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมศัพทสังขานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัทธาสถที่ภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อขอแถมนิดนึงนะครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ท่อนได้แนะนำวิธีการอนุโมทนานะการอนุโมทนาบุญ ที่คนอื่นทำการอนุโมทนาคือตัวเองไม่ได้ทำะนะคนอื่นก็ทำนะการอนุโมทนาที่ดีที่ท่านแนะนำก็คือว่าให้ทำความรู้สึกว่าเหมือนเราได้ทำเองคนที่เขาทำแล้วนะเราจะดีใจกับเขาเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราได้ทำตรงนั้นเองนะตอนที่รู้สึกว่าเราได้ทำเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ริษยา เวลาเห็นคนอื่นก็ทําแล้วดีใจไม่ลงเพราะว่าริษยาอนโมทนาไม่ขึ้นนะเวลาเห็นโยมก็ทําที่นี่ไว้ดีดีใจเหมือนเราได้ช่วยทําร่วมทําตรงนี้ด้วยร่วมทําด้วยตัวเองแล้วเราจะดีใจด้วยนะเหมือนทําด้วยตัวเองอย่างโยมโยมแหม่มนี่ก็ทําเองเขาดีใจเขาอยู่แล้วนะแต่เราเนี่ยเวลาจะดีใจกับเขาเนี่ยแล้วอิจฉาตัวอิจฉาเป็นตัว ตัดรอนทําให้การอนุโมทนาเกิดขึ้นไม่ได้นะจะดีใจขึ้นมาอิจฉาอีกแล้วตกไปอีกเงี้ยให้ทําความรู้สึกเหมือนว่าเราได้ทําเองนะจะทําให้ตัวอิจฉาไม่เกิดแล้วนะมันจะอนุโมทนาได้เต็มที่นะใหค้ความดีใจเหมือนเราได้ทําเองแล้วเวลาบอกให้คนอื่นเขาอนุโมทนากับเราบอกนี้เหมือนกันให้ท่านดีใจเหมือนท่านได้ทําเอง บุญที่เราได้ทำในวันนี้ทำแล้ววันนี้ทุกๆอย่างให้ท่านร่วมดีใจกับเราเหมือนกับท่านได้ทำเองอย่างนี้นะ